นี้ไปจะเทศให้ฟังวันนี้เป็นวันปรนาราศรีที่สิงหาคมแห่งสุกรปักคือเดือนหกเพ็ญเป็นวันใกล้กันกับวันเป็นสูตรของพระพุทธเจ้าวันตรัสลูกวันปรีนิิพาน ซึ่งพากันสมุติเรียกว่าวัานวิสาขบูชาวิสาข์ก็แปลว่าเดือนหกทั้งสามการที่ว่านี่แหละของพระพุทธเจ้าของเรามาบรรจบครบวันเดียวกันคือเดือนหกเทนหมายความว่าตอนพรพุทธเจ้าประสูติคือเกิดก็เป็นเดือนหกเทน วันตรัสรูกก็เป็นเดือนหกเห็นวันปรนิพานก็เป็นเดือนหกเห็นถ้าจะถือตามเลิกคนที่ได้เลิกทั้งเกิดทั้งตรัสรูกทั้งนิพพานคือตายมันจบครบวันเดียวกันเทนี้หาได้ยากตามที่โลกทั้งหลายนิยมถือกันว่า เป็นพิีมุงคดหากคนธรรมดาสา้านได้งี้เกิดวิเศษสูงสุดทีเดียวแต่อันนี้พระพุทธเจ้าของเรายังสูงสุดยิ่งกว่าเรื่องีอีกครับคราวนี้เราถือพุทธศาสนาผู้ที่บัญญัติศาสนาคือทำคำสอนได้แก่พระพุทธเจ้าได้แก่พระ โมคือพระโคดมบรมครูของเราเรานับถือทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเราบูชาพระองค์ท่านเราจึงได้มาทำการระลึกถึงท่านถึงวันเช่นนี้มาแล้วพุทธปริษัททุกแห่งทุกหนที่นับถือพพุทธเจา้าจะต้องมีการ ทำการบูชาเรียกว่าอามิตรบูชามีบูชาดอกไม้ทุกเทียรระลึก ถ, ถึงพระคุณของพระองค์จัดเป็นการมาประจองทุกสลส่วนหนึ่งนอกจากนั้นอีกเป็นนิมิตอันดีงามของพุทธศาสนิกนไชนที่นับถือพุทธศาสนาน เป็นธรรมดาถ้าหากเราะระลึกคิดถึงบุญคุณของท่านผู้ใดไม่ว่าแต่พระพุทธเจ้าของเราเราระลึกถึงคุณบิดามารดาอุปชาอาจารย์ถึงวันท่านมรณะคือถึงวันท่านตายเราก็จะต้องมีการทําบุญะระลึกถึงคุณงามความดีของท่าน เป็นธรรมดาอย่างนี้นอกจากนั้นอีกเป็นประเพณีขนบธรรมเนียมอันดีงามจะเป็นเรื่องศรราสนาหรือเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามใดก็ช่างเถอะจะต้องมีขนบธรรมเนียมอันดีงามมีไว้สําหรับเป็นเครื่องสจดจำเพื่อเป็นเครื่องวัดเครื่องหมายถ้าหากขาดประเพณี หือสนบุบภัรเนียมอันดีงามนี้เสร็จแล้วก็ จ, จะไม่มีเครื่องวัดเืองหมายในรัฐที่นั้นน้นประเพณีนั้นนะหรือวัฒนธรรม น, นั้นเรานับถือพุทธศาสนาเรานิยมพุทธศาอัเรานิยมประเพณีอันดีงามคือถึงวันวิสาขคือเดือนหกเพดังที่ว่ามานี้ เราก็จะต้องมีพิธีทำการบูชาด้วยอิบรสบูชารักษากระดุมเทียนะเนียนดีอันนี้อันดีนี้ไว้อันนี้ถ้าจะพูดทั้งเรื่องคุณงามความดีคนเราถ้าหากขาดการระลึกคิดถึงความดีของกันและกันสียแล้วเราจะไม่มีการทำความดีเฉยเลยแค่ตัวอย่างเห็นได้ไ ง, ง่ายๆโรง้นขบาม บรรดาสัตว์ทั้งหลายไม่รู้จักบุญคุณของกันและกันเกิดมาจะต้องเลี้ยงดูซึ่งกันและกันก็จริงแหลแต่นั่นเป็นสัญชาตญาณของสัตว์ทั่วไปมีความรักก็จริงเลี้ยงดูให้จนเติบโตขึ้นมาแต่สัตว์ทั้งหลายนั้นหาได้รู้จักบุญคุณของการเดชะไม่ปญญาหน้าเพลเขาเติบโตขึ้นมา ก็มีอาการตอบแทนบุญคุณกันด้วยกันเราจะเห็นได้ชัดบางงูควายและบางกัดบางเจะพวกก็เติบโตมาก็ไม่รู้จักบิดามรรดาอิทธิฤทธยะกัดกันจินฆ่าฟันกันมีสิ่งที่เลวทรามคือคนที่คือสิ่งที่ไม่รู้จักบุญคุณของการด้วกันมันเป็นอย่างนี้ทำความหาญชนะหรือเติมให้แก่การด้วกัน อันนี้มนุษย์ของคนเราหาได้เป็นเช่นไั่มีความระลึกคิดถึงบุญคุณของผู้มีบุญคุณเรียกว่ากตัญยูผู้ทำบุญคุณให้แก่เราก่อนกัตเวทีจะต้องตอบแทนทดแทนบุญคุณพผู้ที่ทำบุญคุณแก่เราเหตุนั้นจึงมีขนบอันเดียมขนมทำเนียมอันดีงาม อย่างเราทำวิสาขาบูชาแล้วเราลึกถึงคุณพธิเดจจาที่พระองค์ได้ทรงประทานโอวาทศาสนธรรมทั้งสอนให้พวกเราได้รู้จักดีจากชั่วบาปบุญคุณพทประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์เรียกว่าพัฒนาจิตใจของคนเรา ให้เจริญ ง, งอกงามขึ้นมาสูงกว่าระดับเดิมระดับเดิมเมื่อคนเราก็ไม่ไปที่แตกอะไรคณะกับศาตรดไดอธิบายมาแล้วแต่นี่จิตใจของเราอาศัยคุณธรรมคือคำสองผู้ได้แก้วคือสอบลมสุกคนเป็นความรู้จักบุญคุณของผู้มีคุณเราไม่ลืมเมืองคุณของผู้ได้แก้วผู้ที่พันเป็นต้นเข้าคือเป็นผู้ไหววางศักวางศากดิ์ปาไว้เป็นหลัก ให้พวกเราดำเนินตามเราจรึงค่อได้พากันมาทำการบูชาประคุณท่านอันนี้โดยเฉพาะเรื่องของพุทธโอคพับพุทธจา้าทานี้เฉพาะไอ้ต่อไปเช่นคนธรรมดาสามัญเช่นพิดามรรดาของเราไม่ใช่แต่ว่าจะเลี้ยงดูให้เราเติบโตขึ้นมาเป็นมนุษย์ เ, เป็นคนนะแต่ยังให้ ความรล้ความฉลาดให้วิชาอาชีพอย่างน้อยหรือมูลมรดกหามาไว้ให้เป็นทุนเป็นรอนแก่แเราจะเพื่อจะตั้งตั้ ง, ต, ง, ต, ง, ต, งตัวต่อไปเรามาเลือกถึงบุญคุณของท่านผู้จะทนให้กำเนิดเกิดมาเป็นคนแล้วท่านยังให้วิชาอาชีพหรือสอนสินธรรมพึงงามสมดี เราเลึกถึงบุญคุณที่ท่านเราจะต้องตอบแทนบุญคุณท่านด้วยการทําดีตอบแทนนี่แหละการระลึกถึงบุญคุณของผู้ที่ท่านทําดีต่อเราแล้วเราจะต้องทําดีตอบแทนบุญคุณท่านมันมีกตเวทีด้วยประการอย่างนี้หากไม่รู้จักบุญคุณของกันและกันเสร็จแล้วจะไม่มีการทําดีเลยที่เราทําดีอยู่เดี๋ยวนี้กับครับ เรารู้จักบุญคุณของท่านที่ท่านมีบุญคุณแก่เราจึงว่ามันมีประโยชน์อย่างนี้และลึกถึงบุญคุณของผู้มีคุญทําให้ตัวเราดีขึ้นมาได้หากเราจะทําความชั่วทุจริตลรืว่าคิดพ่าขึ้นผิดต่งตางๆนานาเราจะระลึกถึงความดีของผู้มีพระคุณแก่เราแล้วเราจะกดในการที่เราจะทำความชั่วนั้นจะได้ ถึงแม่อยากจะทำแต่ไม่ลืมความดีของท่านเป็นเครื่องระงับกดกลั้นเสิึงความชัว่วแ้จะได้อันนี้พูดถึงเรื่องการตันยิก็แตเวทีคือรู้จักคุณคุณของท่านผูณอีกคุ ณ, คณแล้วเราทำดีต่อเราทำดีทาตัวงเราให้ดีขึ้นมาโดยลำดับนี้พูดจะพอดทั้งเรื่องคุณดีเจ่าและสครี หายากทุกศาสนาซึ่งจะได้ศาสนาที่ดีเด่นหรือมีหลักฐานมั่นคองอย่างพระศาสนาของพระพุทธเจ้านองเาหายากที่เดียวศาสนาอื่นเช่นศาสนาพราหมเป็นกล่าวทั้งเรื่องประวัติศาสนาพรามแล้วเป็นศาสน า, นยายิยญย หรืรอว่าเทวนิยายกลายเป็นเรื่องเทพไปหมดแล้วใครจะไปรู้จักตัวเทพคนนั้แต่พูดเป็นเรื่องนิยายว่าเทพองค์นั้นเป็นอย่งงางนั้นเทพองค์นี้เป็นอย่างนี้เห็นพระนาลัยไปอี ส, สวนพระคือพพานในต่างๆเกือบสามเรื่อ ง, งไม่เคยเห็นตนเห็นตัวตใคร้ก็ว่าเอาเทวดามาสอนคน ถึงแม้จะมีคุณงามความดีอยู่บ้างในศาสนานั้นแต่ก็เป็นเรื่องเทวัญญหายเอาเทวดามาสอนคนศาสนาทิ่เปี่ยนก็เป็นคล้ายๆกับของขวัญให้เจ้ามาสอนคนให้คนมาสอนกันเองอย่างนี้เป็นต้น และอเรื่องเราจะเอาตัวพระเจ้ามาแสดงนั้นหาไม่ได้อ่ะไม่มีใครเอามาแสดงได้เลยเตัวพระเจ้ายังไงมาเป็นรูปร่างลักษณะ ย, ยังไงยิ่งร้ายเขาไปตรงนั้นอีกสอนไม่ให้เอรูปพระเจ้ามาโคตรสก า, ายควเสียทรัพย์คือใครจะไปเขียนรูปพระเจ้าเขาไม่ได้เด็ดขาดเพราะมันไม่มีตนมีตัวแต่ไปเขียนในกระสือกาเป็นบาปส่วนพระพุทธศาสนาของเราหาได้เปิดกทีนยังไ มีหลักฐานยืนยันมั่นคงว่าพระสิทธาลัทธิุมานะเกิดเมื่ อ, อไรณสถานที่ใดใครเป็นบิดามารดาใครเป็นพญาพิขวงวงใครเป็นนครมเมฮสีเทรีพระราชบุตรชื่ออะไรอายุเท่าไรจึงออก บ, บวชบรรพชากัสมบุตร เห็นเหตุการณ์อะไรที่จะาปวดบวดแล้วทำอะไรกันบ้างและสำเร็จเป็นนักพูดได้เจวเพราะอะไรเห็นอะไรมีรลักฐานมัน่นคงยืนยานได้เต็มที่เราสามารถพูดได้เต็มปากไม่กลัวใครเลยเอามาเปิดเผยได้เต็มที่จึงนับได้ชอว่าศาสนาที่เรานับถือนั่น เป็นศาสนาที่ดีเลิศทั่วโลกเรากร้าหารสามารถยืนยันได้เต็มที่เพราะประวัติมีว่ายอย่างไม่ได้เกรงใครนอกจากนนี้ทำคําสอนพระเด็จเจ้าท่านไม่ได้สอนเชื่อโดยงมงายให้เหมือนศาสนาอื่นศาสนาอื่นนีข่าวิจารณา ไ, ได้เป็นบาปสมรรกตายศาสนาพุทธนี้ไม่มีขอให้มีข่าววิจารณาเถิ ไม่เชื่อโดยงมงายเชื่อโดยถือตามตลับตำาําหรือครูบาอาจารย์เทศนางานกันถือรัทีทายังไงอะไรใครบอกไงจะให้ถือเอาเลยไม่ได้เด็กขาดให้อ้างเหตุอ้างผลเชื่อโดยมีหลักฐานมั่นคงนี่มันดีอย่างนี้ศาสนาพุทธที่เรามานับถือศาสนาพุทธนั้นจึงมาเป็นโชคลาภมันดีแสนดีที่สุด นะีคราวนี้เมื่อพระองค์ออกบวชก็ไม่ใช่เป็นคนทุกข์ไร้อนาถาขาดญน้าขาดมิดหรือไม่มีอาชีพที่จะเลี้ยงตนเองสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างเพราะท่านเป็นกษัตริย์คำว่ากษัตริย์ทนี้ก็พอแล้วเ้วก็เต็มใจแล้วว่าสมบูรณ์บริบูรณ์หมาทุกอย่างนอกจากนั้นอีกวิชาที่พระองค์เจ้าได้ศึกษามาทุกลทขิทุ ก, ท ก, ททกนิจกาย แล้วก็ที่เรียนมานั่นก็ไม่เชื่อตามลัทธิอันนั้นยังต้องทดลองทุกคนดูว่าจะเป็นจริงหรือไม่แต่ทดลองเต็มที่เต็มกําลังทุกอย่างทุกการในที่ที่ทศึกษาลราเรียนเราเป็นของหยิบคนดีเชทศ ก, การทําทุกการอย่างนีง้เป็นต้นเมื่อทําเต็มที่ไม่เห็นผลแล้วก็เลิกบอกว่าไม่จริงจงกระทั่งมาพึกผลพระองค์ด้วย ทำที่เรียกว่าสมาธิถี่ได้เกียรติอริยมรรคทั้งแปดประการอย่างที่เราพากันทำนี่คือกรรมฐานนี่แหละฝึกหัดอารมณจิตใจนี่แหละให้เข้าถึงมรรคเรียกว่าอาริยมรรคทั้งแปดประการจรึงได้สําเร็จเป็นโลกพยานคําว่าสําเร็จในที่นี้น่ะเป็นภาษาราชศัพท์แต่คือคือได้ความรู้สำเร็ หือหมายปมาแปลว่าตัททะรู้หมายเป็นราชาศักดนะธรรมะธรรมดาสามั น, นพวกเราก็เรียกว่าสำเร็จการการรู้วิชานั้นเรียกว่าเรียนสําเร็จพระพุทธญาณนนที่สำเร็จสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าหมายความว่าท่านได้ถึงขั้นธรรมะที่จะให้เป็นพระพุทธเจ้าด้วยมัดขับปฏิบัติคือสมาธิตัวนี้เอง เห็นชอบนี่ในพุทธเจ้าทนสําเร็จได้อย่างจึงเรียกว่าสําเร็จด้วยตนเองไ ม, ไม่มีครูมีอาจารย์ที่จะอรุรมทัท่าวเป็นของอาจารย์ไม่เราคิดเราดูไม่มีครูสําเร็จได้เองวิชานั้นเอามีครูสอนไอย่างเรียนไม่สําเร็จก็แย่อันนี้ไม่มีครูสอนสําเร็จด้วยตนเองจะไม่น่าอาจารย์ยังไง อันนี้ของจริงของที่พระพุเจาได้สําเร็จนั้นท่านมาสอนพวกเราแล้วก็ลองสัมผัสอุบหลงลองดูทีครับจะเห็นผลประโยชน์ขึ้นมาถึงจะไม่ได้สําเร็จวิชาในวิชาแขนงนั้นใ น, น ห, หลักวิชานั้นก็ตามแต่ก็พอจะเห็นผลสมาบางเรื่องทําคุณงามควมดีมีสิ่งตอบแทนคือปรากฏขึ้นมาในตัวของตนี้ เบือ้องต้นพระองค์สอนให้เราทำทานเนียเป็นต้นคนที่ทำทานจาาข่าบริจาคโดยทัศนทาเลื่อมใสใจจริงมีสิ่งมากและน้อยต่างทะละลงไปแล้วจิตแจงเราจะอิกก่มอกอิกก่มใจเบาอกเบาใจเบิกบานพว่งพอทำเท่าไรไม่รู้จั ก, กอิ่มจะพอ จะหมดมากหรือน้อยไม่รู้จะกีนกับพอเราเห็นคุณสมัยแล้วอ่ะอ๋อมันทําให้คให้เกิดคนาสุขอย่างนี้แค่การทละจากพระทิ้งเข้าทิ้งไปยังได้รับความสุขของทิ้งไม่น่าจะได้รับความสุขเะเลยของที่หายไปน่าจะเสียอกเสียใจแต่นี่เปล่าหายได้เป็นเช่นนั้นไหมของทศรัตนจากข้างับไปมากเท่าไรยิ่งได้ความอิ่มอกกิก่มใจ นี่เราเห็นชัดแล้วอ่ะทำคำสองเพื่อจาสอนให้ดีเป็นทางที่จะให้ถึงความสุขเนเตียยิ่งได้จริงทีเดียวในขั้นต้นขั้นที่สองสอนให้รักษาสิงคืองดเว้นจากความชั่วโดยกขาแระหว่ า, ากความตันใจเจตนาญาติมดเว้นด้วยโดยใจความแล้วก็หมายความว่า รักษาความขั่วไม่ให้เกิดขึ้นมาในตัวของตนเมื่อความขั้วมีในตัวของตนแล้วก็มันก็ไม่เป็นเหตุให้เบียดเบียนคนอื่นและผลักคนอื่นอย่างที่เองท่านหามาให้ข่าวตัดรับการสุพิมใชาา้จานนี้เรียกว่าเบียดเบียนคนอื่นถ้าความขั้วมันไม่เกิดขึ้นมาในตัวของตนในจิตใจของตนแล้วเรื่องนั้นนันก็ทําไม่ได้ การที่รักษาตนแต่ละคนละคนผู้ใัดองค์สอนให้รักษากายใจให้แต่ละคนละคนนั้นไม่ใช่ได้กลมถูกแต่เฉพาะเราความสุขที่เกิดขึ้นจากเรานั้นหมายความว่าเราไม่มีความเดือดร้อนมีปฏิสารอะไรในกายใน ใ, นใจทั้งต้นมองรู้จริงไหนเป็นได้ของบริสุทธิ์ท้งนั้นไม่มีความชั่วคิดอยู่ในกายใน ใ, นใจข้งตัวปรากฏชักึ้นมาอย่าง แล้วคนอื่นก็พอยได้รับความสุขด้วยเห็นชัดคือหมายอย่างนี้นะอ๋อที่พระองค์สอนในรักษาสิน้นมันเป็นของดีอย่างนี้แล้วก็มองเห็นข้างหน้าต่อไปรักษาสิ้นห้าได้ขนาดนี้ได้ความสุขขนาดนี้แล้วรักษาสิ้นแปดยิ่งจะดีเข้าไปกว่านี้แล้วรักษาสิ้นเจ็ดสิ้นสิบเจ็ดยิ่งจะดีเข้าไปกว่านี้อีกมะแล้วมองเห็นในอนาคตข้างหน้ า, นาแล้วมองเห็นสองทางไกล ไปยังความดีนั้นเด่นขึ้นมาชัดขึ้นมาเลยจังอันนี้เราเชื่อว่าในคำังองพรในครั้งนี้นอกจากนั้นอีกผู้ที่มีศีลเป็นเครื่องประดับผู้มีศีลเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องดำเนินในชีวิตเราจะเกิดความอิ่มอกอิ่ ม, มใจพื้นติในศินของตน สินไม่มีตนมีตัวเห็นแต่งอเว้นจากขุดชั่วถึงนั้นแหะแม้เมื่อไหรเราได้ของมีตนมีตัวได้เงินหมื่นเงินแสนเงินล้านก็ไม่อิ่มใจเท่ากันที่มีสินของมีมากๆเงินเงินล้านเงินแสนเงินล้านเ่ไม่อิ่มอกอิ่มใจเหมือนกับสินเกิดมีมีตัวทองมันเป็นของอัศจรรย์ไหล่ะของได้ที่ไม่มีจะัตถุไม่มีรูปไม่มีร่างทำไมไม่ยัง เป็นของมีค่ามีประโยชน์เหลือเกินผู้ที่มีสิน 5, ส้นห้าสิน 10, ส้นแปดมีชิ้นจิตสิ้นใจเจ็ดแทนที่จะเป็นของหนักหกหนักใจของมากๆกล่าวหายได้เป็นเช่นไรมิได้ความเยือกเยนเป็นสุขธรรมดาของมากมันต้องกีดขวงเรื่องของหนักแต่นี่ไม่มีหนักไม่กีดขวางอะไรลยนี่เรามองเห็นชัดอย่างเนี้ทําคําสอนผู้ใจเจ้าท่านสอนให้เรา เป็นคนดีได้แล้วเห็นชัดขึ้นมาในตัวของออนท่านี้อันนี้เรียกว่าขั้นที่สองแล้ว ข, ขั้นที่สองนะนักผูมองเห็นได้ว่าสิ่งของดีมีคุณค่าประโยชน์ขั้นที่สามคือลมจิตฝึกฝนอารมจิตจิตของเราเป็นของยิ่งเส้นกระสรับกระส่ายจิตของเราของคนเราแล็นของ พุ่งซ่านเดือดร้อนคำธรรมดาคำว่าพุ่งซ่านเนี่คือหมายความว่ามันเดือดร้อนถ้าจะมาเปรียบน้ําเป็นของเย็นเย็นเขถูกร้อนนะก็มันุ่งจะหมายเดือดข้านใจของเราถ้าหากว่ามันเดือดร้อนพุ่งซ่านเขาเรียกว่ามันมันมั น, ม, นมันร้อนมันกนสับประส่ายไม่ใช่ของเย็นอย่างนี้ ของที่ร้อนร้อนจิตใจกระสับกรสายพุ่งซ่านมันก็ น, น้าที่มันเดือดมันพุ่งอันนี้พระจ้องค์สอนให้เราสงบสอนใเราอบรมจิตใจมันสงบถ้าต้องการความสุขเราให้ทําใจให้สงบถ้าหากใจมารักษาจิตแสงสนได้ให้สงบจะเห็นความสุขเกิดขึ้นมาง่างยเลย มากกว่าเรามีสิทนั่นจะอีกความสุขความสบายจะมากกว่าเรามีสิทนั่นจะอีกอันนี้ก็อีกแหละจิตสงบพนั้นอนะ่ะโดยมากคนทั่วๆไปมันต้องเพลินต้องสนุกพุ่งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆในยันเสียงเขาขับเขาเพลงจิตใจต้องส่งไปตามอารมณ์คือว่า สนุกไปตามอารมณ์มันถึงจะได้ความสุขมันต้องแบ่งงันธรรมดาคนเราต้องแบ่งแต่ว่าการที่จะให้สงบลงมาหาความสงบอยู่อันเดียวมันทำไม่ได้เหตุนั้นความสุขในการที่จะให้จิตสงบ น, นจึงยากคนเดียวเข้าใจหากใครไม่ทําความสงบลงไปจนจิตมีอารมณ์อันเดียวแล้วจะไม่รู้สึกว่าความสงบนีเป็นความสุขเลย อันนี้ถึงหากเรายังทําความสงบได้เราให้พึงเข้าใจไว้ใช่ก่อนว่าความสงบจะเป็นความสุบความพุ่งซ้านในความเดือดร้อนเป็นความเดือดร้อนพระพุทธเจ้า่สอนให้พวกเราทําความสงบอย่างนี้ถ้าใครทำความสงบลงไปได้แล้วขนาดสงบก็พักเดียวสู่เดียวก็ได้ความที่แบบเย็นขนา้มืดมดความเดือดร้อนพูดว้ายก็ตาก็ตายมืดหมด และจากความกลุ้มออกกลุมใจคิดถึงสิ่งต่างๆที่เราอะไรอะไรมันหายไปโดยเด็กขาดโดยไม่รู้ตัวเสฉยๆเราเข้าใจางี้เราก็จะมองเห็นง่างางนามความสว่างของใจเราเลยจะมองส่องไปข้างหน้าหาแล้วสงบได้นานแล้วเราสงอบอารมณ์ต่างๆทั้งหมดไม่ให้มีอะไรเสฉยๆมันจะได้ความสุ ข, ขแค่ไหนเราก็จะได้มองเห็น ทำคาสองปเะโยคสอนนี้อันนี้มันยังตรงนั้นสี่ตรงมันลำบากมันยากที่สุดคือเราจะทํายังไงจริงแจมันสงบทํางไงยิงแจมให้มันปล่อยมันวางมันทอดทุระตรงนี้ส่มันต้องหัดมันยากเลตรงนี้ที่กําลังหัดฝึกฝนอารมณ์าอยู่เดี๋ยนี้มันตรงนี้เองสิ่งที่นี้อยู่มันเป็นเรื่องยุ่งอย่างอธิบายมาแล้วมีอะไรมันยุ่งในจริงนั้นมันมีแล้วเราไม่ยุ่ง ทำยังไงไม่จริงแกไม่ยุบทำยังไงจริงจะไม่วุ่นวายในสิ่งมันมีอยู่ของที่ไม่มีไม่จ้องละลกของจริงที่เขาถือกันว่าอัตตาคึกของมีอยู่แต่ว่าเราไม่ถือเป็นตนเป็นตัวเป็นของเราอันนี้เป็นของธรรมในยากของไม่มีจะเรียกอัตตานั้นไม่ใช่ของอยากอะไรเลย นี่เป็นคำพูดสูงไปสักหน่อยฟังยากถ้าหากเราจะพูดกันง่ายๆของที่ไม่มีแล้วไม่ต้องละคือมันไม่มีอยู่แล้วไม่ต้องละเนี่ยนี่เราประละของที่มันมีของมันมีมันไปยุ่งเราจะต้องละอันนี้นมันยากตรงนี้หรือจะพูดกันเป็นภาษาศัพท์กันอีกหน่อย่าอัตตากับ สุนยตาผิดกันสุญยตาซื้อของไม่มีน้นของศูนย์เปล่าเรียกว่าสุญยตาสุญญาตาไม่ใช่อานาตตาอนาตตาซื้อของมีแล้วไปเห็นของมีอยู่ไม่ใช่ของเราคือมันเปลี่ยนแต่จังคาดของมันเองไม่ไม่อยู่ในบังคับของเราเรียกว่าอานาตตาเราไปเห็นอันนั้นมันเป็นอนาตตา ของสุญญาตาเนะี่คือของมันว่างไม่มีอะไรแท้เลยเหตุนั้นไอ้สุญญาตานี่จะพิจารณาให้เป็นอนัตตาไม่ได้ตั้งพิจารณาอัตตาให้เป็นอนัตตาดังอธิบายมานี้จะไปพิจารณาสุญญาตาเป็นอนัตตาไม่ได้เพราะมัน ข, ข, ข, ของไม่มีหรือจะพูดก็มหาหลักอีกว่าวิปัฒนาคือพิจารณาของมีอยู่จึงเรียกวิปัฒนา เขาไม่มีไม่เป็นวิปัสนาเฮ้ยอย่าพูดเข้าไปอีกเข้าไปหลัะเขาเรียกว่าของไม่มีคือของว่างมันเป็มพวกฌานครั้งนี้อยู่เป็นวิปัสนาคือปัญหาเห็นของมีอยู่ตามเป็นจริงแล้วจิตไม่เข้าไปยึดถือจริงเรียกว่าอนัตตาเห็นชัดแล้วไม่ถือนะ่ะจริงจะเป็นอนัตตาเห็นชัดยังถืออยู่ก็ยังเป็นอัตตาอยู่เหมือนกัน หนีทำคำสอ ง, งพระเดจ้าสอนอย่างนี้เรายังเชื่อมั่นว่าคำสองพระองค์นั้สอนให้ดีขึ้นโดยลําดับละเอียดลงไปโดยลําดับเป็นชั้นๆลงไปทีเดียวเราผู้ที่มานับถือพุทธศาสนามาแล้ลึกถึงคุณงามความดีของผมลึกคําสองของพระเดจ้าเราจังพยายามที่จะทําให้เป็นเหมือนกับท่านถึงไม่เถือนไม่เหมือนกันมันละไม่คล้ายคึงกับท่าน เรียกว่าดำเนินตามรอยพุทธบาทคือปฏิเวตทางของผมได้เฉล็ตามกำลังพุทาของพวกเราเป็นผู้ระลึกคิดถึงบูลคุณของผมคิดเป็นคุนงามคนดีของผมมาพูดอีกทีหนึง่งคำว่าการระลึกถึงกันนะจะระลึกโดยความรักความเสน่หาหรืออะไรก็ช่างเถอะถ้าระลึกถึงกันแล้วนั้นรับตาโยกใจไม่ลืม ลืมตาเยอะกว่าจะไม่ลืมทําการทํางานจริงไหนเยอะกว่าจะไม่ลืมจะร ล, ลึกถึงสิ่งที่เราสเสน่หาแลืออะไรอันนี้เรียกว่าเราลึกถึงเราลึกถึงซะก่อนอันนี้เราลึกถึงความดีรา้านี้มันแยกออกไปอีกความดีคือความคุณงามความดีที่อย่างพุทธเจ้าของเรานะ่ะมีพระเมตตาคุณาวางศาสสนาไว้พวกเราดําเนินปฏิบัติ ฝึกหัดให้เราได้เป็นคนดีขึ้นโดยลําดับเราจะระลึกถึงพระคุณของผมไม่ลืมไม่หายท่นนี้เมื่อเราลึกถึงคุณบุญคุณเออคุณงามคนดีของผมไม่รู้จักลืมหายอะไรในทางหลักท่านว่าอนุสติเราลึกกับคุณพระเจ้าเป็นอารมณ์เราลึกถึงของดีเท่านี้อ่ะเราจะละของชั่วไปในตัวเลย เหตุนั่นจริงเ่รพุทธานุสติธรรมานุสติทั้งฐานุสติเป็นอนุสติที่ดีสามารถที่จะทำจิตของเราเข้าเป็นเอกกต า, าจิตใจแน่ยน้ยแน่อยู่ในอารมณ์เดียวคือเขพูดประทัประสบแต่และอย่างละอย่างตีจิตใจเนี้แน่แน่แน่นแฟ้อยู่อย่างนั้นตลอดการเวลาถ้าจะพูดถึงเรื่องบุญก็เรียกว่าเป็นบุญเป็นพุทธศตย์ใทุกเมื่อ สร้างวุ่นอย่างนี้ไในสิว่าสร้างบุ่นง่ายที่สุดสบายที่สุดแล้วเป็นของดีล้ดดวนดุลวุ่นใหญ่โตเขาถามอีกด้วยมีคำว่าลึกท่านนี้ ร, ร ล, ลึกถึงความดีแล้วนะมันยังมีอีกของที่ดีติดตามมาอีกคือความเคารพเห็นความดีแล้วก็เคารพเห็นความดีของท่านแล้วก็เคารพอีกเคารพท่านอีกเพราะเราดีไปถึงท่านกิงเคารพท่าน อย่างเาเห็นพระเจ้าพระสงฆ์ผู้มีชิ้นจิตชิ้นัองร้อยยี่บเจ็ดเราชิ้นห้าก็ไม่เต็มบริบูรณ์สักทีเห็นพระเจ้าพระสงฆ์แล้วก็กลาดไปเขารบนับถือท่านอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าเราดีไม่เท่าไม่ถึงท่านเราจึงเคารพท่านแเราลึกถึงข้องดีแล้วยังไม่แล้วยังเคารพท่านอีกอันนี้คน ท, ทั่วไปแล้วค่ะนี่คนเราทาาเทียงแต่ว่านับถือกันเฉยไม่ถึงกับเคารพ ก็จะทำดีต่อกันไม่ด้เต็มที่บริบูรณ์ทำได้ก็ไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ถ้าหากระลึกถึงความดีของกันแล้วยังคารบอีกด้วยนั้นความดียั่งค่อยสมบูรณ์บริบูรณ์เราจึงจะทำคุณงานความดีให้สมบูรณ์บริบูรณ์คารบแล้วอีกยังมีอีกติดตามอีกคือรักคารบแล้วรักเช่นเราคารบ ยิดามารดาเพราะท่านมีประกาศคุณ แ, แก่เราแล้วเราก็เคารพแล้วก็รักรั ก, รกท่นานหาักรักท่านเสือเกินถ้าว่ารักในที่นี้น่ะไม่ใช่รักอย่างเลียตั้งหาอย่างเราหนุ่มสาวรักกันหรือความถนัดรักใค่รักพระยิดานั้นอยากยิดามารดาเพราะมีประกาศคุณอยากกราบอยากไหว้อยากนับถืออยู่ตลอดเวลาทั้สิ่งใดสิ่งใดก็อยากนอ้อมน้อมถึงอยู่ตลอดเวลา อันนี้เรียกวเคารพรักใคร่เคารพนับถือและรักอีกด้วยทั้งเคารพและทั้งนับถือและทั้งเคารพแต่ทั้งรักทั้งบมดไม่สบูรณ์เลยทําค น, า น, านคงามคนดีทั้งหมดไม่บุรเลยหาเรานับถือพระะศาสนาถึงแล้ะก็ระลึกถึงคุณพระเจา้าแล้วเราก็เคารพและก็รักเพื่ อ, องค์ถึงไม่มีตัวองค์ของท่านเห็นรูปของท่านตรงไหนก็รักแล้วก็เคารพก็รักมาก จิตใจจะอ่อนน้อมกายวาจัใจจะอ่อนน้อมคลจจออนนอ้อมไปด้วยความเยือกเินทางใจของตนจึงจะจัดเป็นบุญเป็นกุยินงให่นี่ที่เทศนาในวันนี้ว่าถึงเรื่องพุทธคุณคุณพู้ใจเจ้าแต่ที่ายปีกย่อไปหลายเง่หลายมุมถ้าหากว่า เรานับถือพุทธศาสนาแล้วก็จะต้องนับถือทั้งคำสอนพุทธเจ้าก็ต้องเราลึกนับถือว่าพุทธเจ้าด้วยผู้ที่ท่านให้ศาสนาให้พวกเราได้ดําเนินปฏิบัติตามเป็นอนุสติผู้พิจารณาอย่างนี้เป็นกรรมฐานแต่ในตัวคือจิตมันเป็นอารมณ์อันหนึ่งแน่วแน่ทั้งนับถือทั้งเ่ารบและทั้งรักจิตใจจะอยู่ในเอกสตจอารมณ์เอกตัจจิตจะไม่ได้คิดฟุ้งซ้านจนไป ที่นอกทั้งอื่นนอกจากคุณพระพุทธเจ้าก็ทำประสบ์เหตุนั้นจริงจักไปชั่วเป็นบุญผู้ส่วนยิ่งใหญ่ไปถามจงพากันตั้งใจปฏิบัติตามทำคำสอนพระพุทธเจ้าให้เข้าถึงหลักนี้จะได้ชั่วเป็นคนนับถืออย่างแ น, น่วแน่นับถือเคารพรักอย่างนี้นั้นไม่ใช่ของตื้นต่าจะเข้าถึงองค์อริยมรรค ถ้าได้อย่างนี้แหละจับเขาถึงองค์อาเดียมะยืนเดินนั่งนอนเนี่เขารบนับถือรักรอยู่ตลอดกาลเวลาถึงแม้กลาบตั้งแต่แตทางข้างอีกทีนี่พระมูลบริบวนวัตถุกิเลสทุกอย่างอย่างที่ว่า น, นี้จับเป็นมวลกุศลนั้นยังไงได้ครัคู่นั้นจะไม่มีใครนําให้ออกนอกศาสนาเรือยุ่วยให้หลงเชื่อศาสนาแ ล, ล้วรัที่อื่นอืนใดๆเลยจะยอมตายสวียนชีวิต ในพูดประดามกุศะตลอดกาลเวลาเนี่ยอธิบายนในพุทธคุณก็อสมควรโดยกาและเวลาด้วยเการณ